บุกทูสิบหกเด็กเซสฤดูและอากาศเซ zon นอยคายเวเทโรนี้คือฤดูเย็นละเซโซนนอยฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน La p r i n t e m p o la somero, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว la autuno, e la inverno, ฤดูร้อนอากาศร้อน la somero estas varmega, พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน somere ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น Somere n i ş a t a s promeni ฤดูหนาวอากาศหนาว La vintre estas malvarma ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก Vintre n e j a s au pluvas ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้านหนาวมลภาวะฝนกำลังตกมีลมแรงอบอุ่น แดดจัดูท้องฟ้าโปร่งวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อากาศหนาว วันนี้อากาศอบอุน่น